สมภา์วัดป่ามะม่วงเดินทุดงกับหลวงพ่อในป่าเป็นเวลาสองเดือนเต็มนับแต่ออกจากวัดได้เข้าไปยังเมืองหงสาวดีที่ท่านเคยถูกจับมาเป็นตัวประกันเมื่อชาติที่แล้วอยู่เมืองหงสาวดีหนึ่งปีเต็มแม่ทัพอีกนายหนึ่งจึงมารับกลับและหลวงพ่อดำบอกว่าท่านจะต้องตอบแทนบุญคุณแม่ทัพคนนั้นซึ่งในชาตินี้เกิดเป็นผู้หญิง หลวงพ่อดำได้พาท่านไปในมัสการพระเจดีชเวดากองปูชนียสถานอันลือชื่อของประเทศพมา่าจากนั้นได้พากันเดินทางต่อไปยังอา่าวเบงกอนท่านได้ของดีมามากไม่ว่าจะเป็นคาถาอาคมต่างๆหรือวัตถุมงคลโดยเฉพาะพระพุทธรูปปางพุทธลีลาสมัยสุขโขทยัยอายุเจ็ร้อยกว่าปี ที่หลวงพ่อองค์หนึ่งมอบให้ด้วยเหตุผลที่ว่าฝันเห็นท่านตอนกลางคืนพอรุ่งเช้าได้พบท่านรูปร่างหน้าตาเหมือนในฝันเกิดความประทับใจถึงกับยอมมอบสิ่งที่รักและเก็บรักษามานานให้ท่านไว้เป็นที่ระลึกก่อนแยกทางกันหลวงพ่อในป่าได้บอกเคล็ดลับหลายอย่างให้กับสิทธิ์พร้อมทั้งกำชับ ไม่ให้เล่าเรื่องหลวงปู่เทพโลกอุดรให้ผู้ใดฟังด้วยเป็นอาถรรพ์และบุคคลผู้นั้นจะต้องตายแต่ถ้าเขายอมตายก็เล่าได้และไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะท่านมิได้มีเจตนาที่จะให้เขาตายคนที่อยากรู้อยากเห็นถึงกับยอมตายนั้นยังมีอยู่ในโลกอีกมากบางครั้งก็อยากรู้ในเรื่องที่ไม่ควรรู้เพราะไม่มีประโยชน์กับชีวิต แต่เรื่องที่มีประโยชน์กลับไม่สนใจอยากรู้จากอา่าวเบงกอนภิกษุวัย45เดินทางเข้าประเทศไทยโดยใช้คถาย่นระยะทางและกลับมาถึงบ้านโยมมารดาก่อนเวลาเพลนเล็กน้อยท่านเข้าไปกราบโยมมารดาแล้วถามหาโยมบิดาโยมพ่อเข้าไปบวชอยู่ที่วัดพรหมบรุรีตั้งแต่เดือนที่แล้ว วันนี้หนังจำแลงมันนิมนท์ท่านมาฉันเพนที่นี่ประเดี๋ยก็คงมาแม่จวนบอกพระลูกชายยังไม่ทันขาดคำพระภิกษุพองก็เดินเข้ามาในบ้านครั้นเห็นพระลูกชายก็ตรงเข้ามากราบเพราะตามพระวินัยผู้บวชก่อนถือว่าอาวุโสกว่าผู้บวชทีหลังลุงพ่อคิดยังไง ถึงเข้ามาสู่ร่มกาสวพัพร์ครับพิกษุอายุพรรษามากกว่าถามหลวงพ่อผู้ซึ่งอายุพรรษาน้อยกว่าท่านก็ผมเห็นโยมเขาเจ็บอดอดแอดแอดคิดว่าถ้าบวชแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลมาให้จะทำให้เขาดีขึ้นอีกอย่างหนึ่งผมกอถือศีลแปดมาตั้งแต่ท่านเกิด ซึ่งก็เหมือนกับบวชอยู่แล้วจึงได้ตัดสินใจบวชแต่สองข้อนี้ก็ยังไม่ใช่เหตุผลสำคัญที่สำคัญคือข้อสผมเห็นท่านออกทุดงเกรงว่าจะได้รับอันตรายเพราะป่าดงพงไพรเต็มไปด้วยอันตรายนานาประการผมจึงบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ท่านด้วยเชื่อมั่นในความรัก ที่พ่อมีต่อลูกว่าจะช่วยปกป้องคุ้มครองภัยให้ท่านได้เหตุผลประการสุดท้ายเอ่งความซาบซึ้งใจแก่ท่านพระครูเป็นอย่างมากท่านก้มลงกราบพระอรหันต์ของท่านสามครั้งด้วยความเคารพปูชาอย่างสุดซึ้งภิกษุต่างวัยและต่างอายุพรรษา นั่งสนทนากันได้สักพักนางจำแลงกับเด็กชายชำนิ้ก็ช่วยกันตั้งสำรับภิกษุวัยส5สห้าทักทายหลานชายว่าไม่เจอกันหลายเดือนเองเป็นหนุ่มแล้วนะกี่ขวบแล้วล่ะชี่ขวบครับหรอกนะเด็กชายตอบอขวบแล้วไอ้หนูสี่ขวบนะเมื่อปีที่แล้ว นางจำแรงทักท้วงเด็กชายจึงพูดใหม่ว่าแม่บอกว่าห้าขวดขีขวดเมื่อปีที่แล้วขวดนะไม่ใช่ขวดพูดขวดบ่อยๆเดี๋ยวแม่อึงเกิดเปรี้ยวปากขึ้นมาก็จะยุ่งท่านเย้าพี่สาวคนเล็กแม่จวนจึงถือโอกาสรายงานความประพฤติของลูกสาวว่า มันกลับมาดื่มอีกแล้วล่ะท่านโยมว่าเสจจนไม่รู้จะว่ายังไงแล้วขืนว่ามากๆข้านี้ไปอยู่ที่อื่นแล้วแม่จะว่ายังไงคนติดเล่าย้อนโยมแม่อย่าไปว่าเขาเลยเอาไว้ให้ธรรมชาติลงโทษเขาดีกว่าภิกษุวัยสสห้าว่าพี่สาว มันไม่น่าจะมาเกิดเป็นลูกข่าน่าจะไปเกิดเป็นลูกพี่เหรียญถึงจะเหมาะกันแม่ก็เมาลูกก็เมาเขาจะได้เรียกแม่แก้วลูกแก้วแม่จวนยังอยากว่างั้นข้าก็เป็นลูกแก้วของแม่แล้วกันนางจําแลงสรุปข้ไม่รับนี่ลูก แก้วของข้าคือองค์นี้แม่จวนทีมาที่ท่านพระครูอย่าไปสนใจเขาเลยใจโยมเดี๋ยวเขาเกิดหนีไปจริงๆโยมแม่จะลำบากเป็นครั้งแรกที่นางจำแรงเห็นว่าพระน้องชายพูดดีมีสัมมาคาระวะชำนี้เอ็งจำไว้นะตอนโตขึ้น ห้ามกินเหล้าจะได้ไม่เมาอย่างแม่เองท่านบอกหลานชายครับหลองนะหนูไม่กินหรอกเหม็นจะตายแม่กินเหล้าแล้วก็ทะลาะ ก, กับพ่อหนูรำคาญหลานชายรับคำไอ้หนูเอ็งชักจะพูดมากไปแล้วไปเลยจะไปเล่นที่ไหนก็ไปไปซะ นางจำแรงชักเืืองลูกชายคนเล็กไม่ไปหนูจะดูหลวงตากับหลวงนาะกินข้าวดีแล้วไอ้หนูนางอยู่ตรงนี้แหละใครทำอะไรเองเดี๋ยวหลวงตาจะแผ่นกบาลมันภิกษุพองพูดอย่างนึกมันไส้ลูกสาวเต็มประดานางจำแรงก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ท่านบวชท่านคิดว่าจะแผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศลให้ลูกสาวคนนี้เลิกกินเหล้าให้ได้ชั้นเพนเสร็จแล้วภิกษุพองกับท่านพระครูจึงแยกย้ายกันกลับวัดรูปแรกกลับวัดพรมบุรีอีกรูปกลับวัดป่ามะม่วงเพราะมีภาระหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากเมื่อถึงวัดพระมหาบุญก็รายงานว่าช่วงที่หลวงพ่อไม่อยู่ โยมอูรถคว่ำคอหักตายเมียกับแม่เขานาศพมาเผาที่วัดเราครับอ้าวตายแล้วหรือเห็นไหมคนเสียสัจจะเตือนเท่าไรก็ไม่เชื่อแถมยังขอร้องผมไม่ให้บอกเมียกับแม่เขาผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนี่ตายซะแล้วหรืไปที่ชอบที่ชอบเถอะนะโยมอูนะ ภิกษุวัย45่สิบพูดโปร่งๆอีกเรื่องหนึ่งคือโยมอองได้มาขออาศัยอยู่ที่วัดนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายมาจากไหนผู้หญิงครับอายุร่วม60สแกบอกว่ามาจากอำเภออินจะมาเข้ากรรมฐานแกคุยอวดว่าจะปฏิบัติให้ได้เห็นหนอเหมือนกับหลวงพ่อผมก็นึกขำขำอะไร คำที่แกพูดเพอเจอนะครับแกตาบอดจะมาปฏิบัติให้ได้เห็นหนอขนาดผมตาดีๆยังไม่ได้มันก็ไม่แน่นะอย่าเพิ่งไปดูถูกแกคนตาบอดมักมีอะไรๆที่พิเศษไปกว่าคนตาดีแกมาตั้งแต่เมื่อไรละ่ะแล้วใครเป็นคนสอนกรรมฐานให้แกมาถัดจากวันที่หลวงพ่อออกทุดงครับ นี่ก็ขาดอีกวันเดียวจะครบสองเดือนแม่ทิเขียวพามาขึ้นกรรมฐ า, านกับผมแล้วก็ช่วยสอนให้ผมไม่ถนัดสอนคนตาบอดแถมเป็นผู้หญิงซะด้วยเกิดเดินมาชนผมเข้าผมก็จะต้องอาบัดเปล่ า, ลาท่านให้เหตุผลสมภารอยากจะเย้าลูกวัดหา ก, ก็ต้องเปลี่ยนใจเพราะเกรงจะไปสกิดแผลหัวใจที่กำลังจะตกสะเก็ดของมหาหนุ่มเข้า จึงถามว่าแล้วแกพักอยู่ที่ไหนไม่ทิ้เคียวให้พักอยู่ในโรงครัวครับแกช่วยเฝ้าสมบัติของวัดได้เยี่ยมมากใครจะมาขโมยของในครัวแกก็รู้หมดเขาพากันล้อเลียนแกว่าหูทิพย์เพราะเจ้าขาวกับเจ้าแดงเคยแอบย่องไปขโมยขนมแกแกยังบอกจะมาขโมยขนมข้ากินหรือไงนึกว่าข้าไม่รู้หรือช้ชะ เดี๋ยวข้าฟ้องท่านมหาให้บบยสักคนละโหลเลยพอเจ้าแดงแกล้งดัดเสียงถามว่าจะให้บบยใครแกก็ตอบว่าบบยไอ้ขาวกับไอ้แดงนะสิแกตาบอดจริงหรือเปล่าหรือว่าแกล้งท่านพระครูสงสัยเมื่อฟังจากที่มหาบุญเล่าตอนแรกผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันเจ้าแดงกับเจ้าขาวก็สงสัย ก็ลองทดสอบดูด้วยการให้เจ้าแดงเอามือโบอกไปโบกมาตรงหน้าแกถ้าแกตาไม่บอด ก, ก็ต้องรู้ว่าเป็นมือใครแต่นี่แกไม่รู้ผมทดสอบหลายอย่างไม่ชี้เขียวก็ทดสอบได้ผลออกมาว่าแกตาบอดจริงๆสงสัยแกจะได้เห็นหนออย่างที่คุยเซกระมังอีกเรื่องหนึ่งที่ประหลาดก็คือเวลามีโยมเข้ามาขอยืมหม้อในครัวไปใช้ตอนมีงานพอเขาเอามาคืน แกก็เห็นว่าฝาหม้อไม่ใช่ของวัดให้หาฝาของมันมาคืนเขาบอกว่าไม่เป็นไรมันปิดกันพอดีก็ใช้ได้แล้วแกก็ยืนยันว่าไม่ได้เพราะมันผิดฝาผิดตัวแหมแกยังย้อนให้อีกว่าถ้าเอาหัวเองไปเป็นผัวคนอื่นเอาผัวคนอื่นมาเป็นผัวเองจะใช้ได้ไหมทำเอาโยงคนนั้นต้องไปหาฝาหม้อมาคืนแกจนได้พระมหาบุญรายงานเรื่องโยมออง สงสัยผมจะต้องไปทดสอบสักหน่อยไปด้วยกันเดี๋ยวนี้แหละท่านบอกลูกวัดพระมหาบุญจึงเดินไปยังโรงครัวกับท่านสมภารครั้นไปถึงเห็นสตรีอายุประมาณ60สนั่งเช็ดจานอยู่จึงกระซิบถามลูกวัดว่านั่นใช่ไหมที่ชื่อโยมอองคนนั้นแหละครับหลวงพ่อลองไปพิสูจน์เธอว่า แกตาบอดจริงหรือตาบอดปลอมถ้าบอดจริงก็แสดงว่าแกได้เห็นหนออย่างที่แกคุยพระมหาบุญกระซิบกระซาบกับท่านสมภารถ้าเช่นนั้นท่านยืนดูอยู่ตรงนี้นะผมจะเข้าไปยืนใกล้ๆแกพูดจบท่านจึงใช้วิชาย่องเบาที่เคยใช้เวลาจะขโมยเงินยายวิชานี้มีประโยชน์มาก ถึงบวชเป็นพระแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้แต่จะต้องไม่ใช้มาขโมยเงินใครมิฉะนั้นจะเป็นอาบัติโทษท่านเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าใหญ่อองฝ่ายนั้นมองไม่เห็นเพราะตาบอดสนิททั้งสองข้างหากก็รู้ว่ามีคนมายืนอยู่ข้างหลังเพราะได้กลิ่นกลิ่นที่มาสัมผัสคานประสาทของหล่อนไม่ใช่กลิ่นของครือขัด หากเป็นกลิ่นของผู้ทรงศีลบริสุทธิ์จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงที่ใครๆล่ำลือกันว่าท่านขลังและศักดิ์สิทธิ์นักหลวงพ่อจ๊ะกลับจากทุดงตั้งแต่เมื่อไหรหล่อนทักทายพร้อมกับวางจานกับผ้าลงแล้วก้มลงกราบสามครั้งท่านพระครูยังคงยืนนิ่งเพราะต้องการพิสูจน์ว่า สตรีผู้นี้ตาบอดจริงหรือบอดปลอมนางสาวอองวัยหกสิบจึงพูดอีกว่าทำไมไม่พูดกับฉันล่ะ่านอุตส่าห์ดันด้นมาหาจะมาเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อสักหน่อยฉันคุยอวดใครๆว่าจะให้ได้เห็นหนอเหมือนหลวงพ่อหล่อนพูดอีกท่านพระครูนึกขำที่หล่อนช่างปักจิตปักใจว่า จะได้เห็นหนอเหมือนท่านจึงหัวเราะหืๆอ อ, ออกมานางสาวอองถามเสียงดุๆว่าหลวงพ่อขำอะไรหรือว่าขำที่ฉันพูดหลวงพ่ออย่าคิดดูถูกฉันนะคนอย่างฉันลงได้พูดอะไรแล้วก็ต้องทำให้ได้อย่างที่พูดท่านพระครูเห็นว่าหากจะยืนนิ่งๆอยู่อย่างนี้คงไม่ดีแน่ จึงตัดสินใจพูดกับหลอนว่าโยมอองแกรู้ได้ยังไงว่าเป็นข้าหรือว่าแกมองเห็นฉันไม่เห็นหรอกจ่าหลวงพ่อฉันตาบอดมาตั้งแต่อายุสิบส่ลอนบอกกล่าวเป็นอะไรถึงบอดละ่ะเล่าให้ฟังได้ไหมได้สิจะ๊ะ ถาหลวงพ่ออยากรู้ท่านก็จะเล่านมิมนต์หลวงพ่อนั่งก่อนแล้วกอนนิมนต์ท่านมาหาด้วยหล่อนพูดเหมือนกับรู้ว่าท่านพระครูไม่ได้มาองเดียวทำไมแกรู้ว่าข้ามากับมหาบุญก็ทัานได้กลิน่นคือคำตอบจมูกแก่ดีขนาดนั้นเทียวดีหรือไม่ดี ท่านก็ไม่เคยพลาดสักครั้งหล่อนถือโอกาสคุยเอาละเอาละงั้นก็เล่าไปสิว่าทำไมแกถึงตาบอดท่านมาหามาฟังด้วยกันจะได้ช่วยกันเป็นพยานว่าโยมอองตาบอดจริงหรือปลอมกันแน่บอดจริงจริง จ, งจ้ะ ท่านจะโกหกหลวงพ่อไปทำไมโกหกพระโกหกเจ้าฉันกลัวตกนรกแต่พระบางองค์เขากลับไม่กลัวนะโกหกญาติโยมอย่างหน้าตาเฉยแกตาบอดแล้วรู้ได้ยังไงว่าท่านโกหกหน้าตาเฉยท่านพระครูถามอย่างนึกสนุกฉันรู้ก็แล้วกันเอาเหอะไม่ใช่พระวัดนี้หรอกนะ หลวงพ่ออย่าร้อนตัวไปหน่อยเลยเอาละเอาละแกอย่ามัวพูดมากไหนเล่าไปสิว่าไปทำยังไงตาถึงได้บอดมันคงจะเป็นกรรมของฉันนะจ๊าหลวงพ่อคือว่าตอนฉันอายุส3บสาแม่ฉันก็พาไปทำงานที่บ้านนายอำเภองานอะไรงานบ้านจ้ะ แม่แกให้ฉันเป็นคนใช้บ้านนายอำเภอพอฉันอายุส4สี่ก็ตาบอดคือฉันเป็นตาแดงคุณนายในอำเภอเขาบอกฉันว่าให้ไปเอายาหยอดตาที่เต๊ะเครื่องแป้งเขาไม่หยอดซะจะได้หายฉันก็ไปหยิบมาหยอดทั้งสองข้างเลยพอหยอดเสร็จก็แสบตามากแล้วก็มองไม่เห็นก็ร้องบอกคุณนาย คุณนายมาดูก็ตกใจบอกว่าฉันหยิบน้ำยาล้างเล็บของเขาไปหยอดอยานั่นผสมน้ำกรดฉันก็เลยต้องเสียในตาไปสองข้างพร้อมๆกันแล้วแกโกรธคุณนายเขาหรือเปล่าท่านทดสอบคุณสมบัติทางใจของผู้หญิงอายุราว60ที่ตาบอดมาตั้งแต่อายุ14ไม่โกรธรอกจ้ะ ฉันคิดว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมของฉันเองคุณนายเขาก็เสียใจที่เป็นต้นเหตุให้ฉันตาปอดเขาไี้พาฉันไปรักษาหลายแหง่งแต่ก็ไม่หายในที่สุดเขาก็ส่งข่าวให้แม่ฉันมารับกลับไปอยู่บ้านและเขาก็ส่งเสียเงินทองให้แม่ฉันทุกเดือนกระทั่งฉันอายุยี่สิบเขาจึงเลิกสง่ง ฉันก็อยู่กับแม่สองคนกระทั่งแม่ตายฉันจึงมาขอพึ่งใบบุญหลวงพ่อขอให้ฉันอยู่ที่วัดนี้นะจ๊ะฉันจะดูแลครัวให้ถึงฉันตาบอดแต่ก็ดูแลข้าวของเครื่องใช้ได้จะไม่ให้หายแม่แต่อย่างเดียวเอาเถอะข้าอนุญาต แล้วแกจวนได้เห็นหนอหรือยังล่ะอย่างหรอกจาะฉันอธิษฐานจิตไว้ว่าขอให้ฉันได้วันสุดท้ายที่ยังมีลมหายใจอ้าวถ้าได้แล้วตายมันจะมีประโยชน์อะไรละ่ะมีสิจ้าหลวงพ่อก็ชาดหน้าฉันจะได้ไม่ต้องตาบอดไงละ่ะ เอาละเอาล่ะงั้นก็ขอให้สมความปรารถนาก็แล้วกันขาดเหลืออะไรก็ให้บอกข้าไปล่ะมาถึงยังไม่ได้พักเลยแล้วท่านจึงชวนพระมหาบุญกลับไปยังกุฏิเมื่อขึ้นไปยังชั้นบนของกุฏิท่านไปดูนารีผลที่อยู่ในพานก็เห็นว่าอยู่เรียบร้อยดีจึงทักทายด้วยการถามว่า หลวงพ่อไม่อยู่สองเดือนไปสุกสนที่ไหนกันบ้างหรือเปล่าสาวน้อยแรกรุ่นดรุณีสองนางปรากฏกายขึ้นสวมใส่ชุดปัญจาวีแบบคนอินเดียทางเหนือนั่งหมอบอยู่เบื้องหน้าท่านพระครูมือทั้งสองประคองอัญเชลีพูดพร้อมกันว่าเราสองคนไม่ได้ไปสุกสนที่ไหนเพราะต้องการจะรักษาสัญญา ที่ให้ไหว้กับหลวงพ่ออย่างเคร่งครัดค่ะดีมากแบบนี้ถึงจะอยู่ด้วยกันยืดแต่ทำไมวันนี้แต่งตัวแปลกๆเหมือนแขกอินเดียหรือว่าเบื่อชุดไทยแล้วไม่ได้เบื่อค่ะพวกเราจะแต่งตัวตามสิ่งแวดล้อมอยู่ที่ไหนก็จะแต่งตัวแบบเดียวกับคนที่นั่น แต่เรากำลังจะกราบเรียนหลวงพ่อว่าจะขอกลับไปเยี่ยมบ้านที่ป่าหิมาพาน์สักเจวันค่ะไปแค่เจ็ดวันเท่านั้นเองหรือจะไปนานกว่านั้นก็ได้นะหลวงพ่ออนุญาตแต่เจ็ดวันที่นั่นเท่ากับเจปีของที่นี่นะคะอย่างนั้นหรอกหรือถ้าอย่างนั้นไปวันเดียวก็พอ ต้องไปเจ็ดวันค่ะอีกเจ็ดปีพบกันใหม่นะคะหลวงพ่อเก็บร่างของพวกเราไว้ให้ดีและพบกันใหม่ในวัฏจักรชีวิตขอกราบลาค่ะกราบอย่างสวยงามสามครั้งแล้วก็หายวับไปเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปหลวงพ่อยังไม่เข้าใจที่เธอพูดที่ว่าพบกันใหม่ในวัฏจักรชีวิตหมายความว่าอย่างไร มีเสียงตอบชัดเจนว่าแล้วหลวงพ่อจะรู้เองค่ะลากรท่านพระครูรู้ว่าเขาพากันไปแล้วจึงเก็บพานบรรจุร่างทารกหิวๆคู่นั้นไว้ในตู้อย่างมิดชิดเลิกเรียนแล้วนายแดงกับนายขาวก็ทะเลถลายแชร์เชอนไปยิงนกตกปลากับเพื่อนที่เกเรเหมือนกับตนแม้จะเคยถูกพระมหาบุญเคี่ยนจนหลังลาย ก็ยังไม่เข็ดหลาบจนคนเคียรรู้สึกอ่อนใจได้แต่นับวันนับคืนรอให้หลวงพ่อท่านมาปราบเจ้าฝาแฝดจอมเกเรคู่นี้สองหนุ่มน้อยกลับถึงวัดตอนพลบค่ําเห็นไฟกุฏิชั้นบนเปิดอยู่ก็รู้ว่าหลวงพ่อกลับมาแล้วทั้งดีใจทั้งหวาดกลัวระคนกันป่านนี้หลวงนาะคงจะเล่าพฤติกรรมของพวกเขาให้หลวงพ่อฟังหมดสิ้นแล้ว จะถูกเคียนไหมเนี่ยในแดงพูดขึ้นแล้วแต่เว้นแต่กรรมเถอะน้องชายพูดตปรงๆเมื่อขึ้นไปชั้นบนท่านพระครูเพียงแต่พูดว่าตอนข้าอายุเท่าพวกเองข้าเกเรกว่านี้หลายเท่าพวกเองเทียบไม่ติดบลอกอย่าลืมว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าแต่ไม่มีอะไร เนือกดแห่งกรรมเอ็งสองคนโดนกดแห่งกรรมเล่นงานแน่ถ้าไม่เร่งสร้างความดีเอาไปคิดเป็นการบ้านนะแล้วก็ลงไปได้แล้วข้าจะทำงาน